เอาแมวสง่งันบ้านหน่อยแมวควอรู้สึกว่าใจนเอะไรที่หลวงอ ร, งรง้ว่าวาไปรักเน่จะเป็นหวอื่นมากกว่าเออนั่นแหละโรคประจับตัวของแมวแต่ไหนแต่ไรแล้ว <c oughs> ที่หลวงพ่อเคยบอกว่าเอาตัวให้รอดนะหัวคนอื่ น, นน้อยๆยหน่อยแต่เรามองเห็นแล้วไม่เป็นไรละแต่เดิมไม่เห็น ใจใจอย่างนี้มันก็ใจดีะนะแต่ว่าเสียเวลาของเราเยอะแล้วไงแมวดีแล้วดูไปเรื่อยๆนะดูไป <c oughs> คือจริงๆกรรมฐานเนี่ยเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนก็ได้นะเหมือนกันหมดเลยกรรมฐานนะนะจะฝึกหายใจเข้าหายใจออกจะดูท้องพองยุบอะไรก็ได้ บางสำนักก็ขยับมืออย่างสายหลงพ่เทียนขยับมือนะถ้าสายพองยุบก็มีดูท้องพองยุบเวลาเดินนะก็ดูยกเท้ายั่งเท้าอะไรเริ่มต้นอะไรก่อนก็ได้นะแต่เรียนเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจของเราก็แล้วกันเช่นเราหายใจหายใจออกหายใจเข้าไปเรื่อยๆหายใจไปแล้วใจเราหนีไปเข้าใจตรงนี้แล้วใช่ไหมใจหนีไปก็รู้ทันว่าหนีไปไม่บังคับนะไม่ห้าม ให้รู้ว่าใจมันหนีไปแล้หายใจไปสักพักหนึ่งจิตมันเข้าไปเพ่งที่ลมหายใจอันนี้เข้าใจไหมถ้าจิตเข้าไปเพ่งก็รู้ว่าเพ่งนะหายใจไปเรื่อยๆจิตเป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นสุขเป็นทุกข์ก็คอยรู้ไปเรื่อยๆการหายใจนะั้นเราหายใจเพื่อจะฝึกซ้อมดูจิตใจตนเองนั่นเองนะส่วนการหัดท้องพองยุบนะหลวงพ่อพูดเหมาอๆเลยนะหัดท้องพองยุบก็ดูท้องพองยุบไปยกเท้ายั่งเท้าไป แต่พอดูท้องของยุบสักพักหนึ่งจิตก็นหนีไปคิดแล้วก็รู้ทันว่าจิตหนีไปคิดดูท้องของยุบไปจิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องก็รู้ว่าไปเพ่งท้องดูท้องของยุบไปจิตเป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นสุขเป็นทุกข์คอยรู้เอาคนไหนขยับมือนะ่ะสายหลวพระเทียนท่านทําจังหวะขยับไปจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งใส่มือก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้เนี่ยใช้หลักกันเดียวกันในที่สุดเราจะรู้ทันจิตตนเอง พอเราไปฝึกซ้อมมาแนละ้วหายใจแล้วเราก็รู้ว่าจิตหนีไปหรือดูท้องพองยุบรู้ว่าจิตหนีไปรู้ว่าไปเพ่งรู้ว่าเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลน่า ก, กุศลพารู้ชำนนี้ชํนานาญเราจะสามารถเจริญสติในชีวิตประจําวันได้ในชีวิตประจำวันของเราเช่นพอเราตาเราเห็นเพื่อนเราเดินมาเนี่ยใจเราวิ่งจู้ดเลยไปอยู่ที่เขาเราเห็นแล้วใจเราวิ่งไปละนะหรือเราเห็นเพื่อนเดินมาแหมมันดีใจขึ้มารู้ว่าดีใจละ นี่เราฝึกไปเรื่อยๆนะในสุดเราจะรู้ทันจิตใจของตนเองได้จิตใจนี่แหละถ้ารู้ไม่ทันนี่นะก็จะหาความทุกข์มาใส่ตัวเองถ้ารู้ทันนะจิตใจค่อยๆได้รับการอบรมเกิดความรู้ความฉลาดมากขึ้นมากขึ้นในีสุดปัญญามันแจ้งขึ้นมาจิตใจเป็นของไม่เที่ยงพอจะดูออกไหมดูออกไหมจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้เนี่ยดูเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ดูให้บังคับได้ นะการที่เราเคยฝึกมาอย่างเก่าไม่ใช่ผิดอะไรแต่ว่าเป็นสมถะฝนะึกแล้วจิตใจสงบจิตใจตั้งมั่นเข้มแข็งนะแต่ว่ามันไม่เกิดปัญญาแล้ก็มาเจริญปัญญาคอยรู้ลงไปที่กายรู้ลงไปที่ใจรู้สึกไหมพอเรารู้สึกตัวรู้กายเนี่ยเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราเราจะเห็นทันทีว่ากายไม่ใช่เรานะไม่ต้องคิดว่ากายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะ เป็นธาตุเป็นขันไม่ใช่ตัวเรานี่ไม่ต้องคิดเลยแต่มันเห็นมันเข้าไปประจักษ์ว่ามันไม่ใช่ตัวเราจริงๆเนี่ยกายเข้าไปเห็นของจริงนี่แหละถึงจะเรียกว่าวิปัสนาตามใดที่เรายังคิดอยู่นะว่ากายนี้เป็นแค่สุภาปฏิกูลเป็นก้อนธาตุก้อนขันเนี่ยเป็นความว่างเปล่าอันนี้ยังคิดได้สมถะดีเหมือนกันเป็นการข่มราคะในสิ่งจําเป็นสําหรับพระนะพระหนุ่มเล่นน้อยครูบาอาจารย์ถึงสอนทำความสงบและพิจารณากาย เพื่อจะได้อยู่รอดได้ไม่งั้นเดี๋ยวทนอยู่ไม่ไหวนะตามสาวไปหมดนะนี่ของเราถ้ามาฝึกแค่ทาความสงบแล้วพิณาสุภานะมันไปต่อไม่ได้ละมันน้อยไปนะตัวสำคัญต้องหัดเจริญสติในชีวิตประจำวันให้ได้นะวิธีจะเจริญสติในชีวิตประจำวันนะคอยเนี่ยหายใจไปรู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยนะ ช่วงไหนหายใจแล้วจิตใจมันฟุ้งซ่านมากก็ทำสมถธิทำความสงบให้จิตใจได้พักผ่อนสมาธเราก็ไม่ทิ้งนะสมาธเป็นของมีประโยชน์คนไหนทำได้ก็ทำไม่ใช่ว่าต้องะละทิ้งไปแต่ว่าทำสมาธไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาทำให้จิตใจได้มีกำลังได้พักผ่อนจิตใจฟุ้งซ่านทำอะไรไม่ไหวก็ทำสมถะพอจิตใจสงบแล้วคราวนี้เราก็ตามรู้ใจของเราไปหายใจไปจิตหนีไปก็รู้ จิตไปเพ่งก็รู้จิตเป็นสุขไปทุกข์เป็นกุศลนกุศลก็คอยรู้เรื่อยๆรนะรู้จนชำนิชำนาญจําสภาวะได้จิตเผลอเป็นอย่างนี้จิตคิดเป็นอย่างนี้นะจิตเพ่งเป็นอย่างนี้จิตเป็นสุขเป็นอย่างนี้เป็นทุกข์เป็นอย่างนี้จิตโลภจิตโกรธจิตหลงเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันจําได้ปรจําได้แล้วสติจะเกิดเองแล้วคราวนี้นะเพราะสติเกิดจากการที่จิตจําสภาวะได้นี่ในตําราสอนนะ ปริยัตปฏิบัติติเวษนี่ร้อยเป็นสายเดียวกันไม่ได้มีอะไรขัดแย้งกันนพวกปริยัตก็ชอบว่านักปฏิบัตินะนักปฏิบัติก็ดูถูกปริยัตนี่ไม่ถูกต้องนะต้องเรียนให้ได้ครบๆแล้วยิ่งดีอย่ารู้สึกว่ามันเสริมกันเนี่ยใจหนีไปคิดแล้วทราบไหมแค่นี้เองคอยรู้ทันอย่างนี้นะรู้ทันไปไม่บังคับยังบังคับตัวเองอยู่ดออกไหม บังคับนิดนึงก็รู้ทันมันมันเป็นยังไง ร, รู้ลงไปรู้ต้องอย่างที่มันเป็นเดี๋ยววันหนึ่งก็จะเห็นเลยมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเราเราบังคับมันไม่ได้นะดูไปเรื่อยดีละดีล ะ, ละใช้ได้อย่างนี้สิค่อยสมไปสอนเขาได้หน่อยนะ เ, เพ่งเพ่งเพ่ ง, เพ ง, เพงไปสอนเา้าแล้วก็พาเขาเพ่งอีกแหละนะเอออย่างนี้แหละหลวงพ่อชอบนะดีตั้งใจศึกษาไปจะได้ช่วยกันตุยแพร่ต่อไป รู้สึกไหมจิตมีปีติมีปีติก็รู้ว่ามีปีติรู้สึกไหมมันมีปีติเราไม่ได้ห้ามมันนะรู้สึกไหมปีติลดลงแล้วเนี่ยดูอย่างเนี้ยทุกอย่างมีแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับดูไปเรื่อยในที่สุดปัญญามันแฉจิตนี้ไม่เที่ยงจิตนี้ไม่ใช่ตัวเรานะดูไปเรื่อยฝึกไปเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีทําไปเรื่อยๆนะเจ็ดปีไม่สําเร็จทํามันไปตลอดเลยนะครูบาอาจารย์บอกทาสิบหกปี่ย พเจ็ดปีไม่ไหวก็ทำสิบหกปีอีกองคหนึ่งนะเคยคุยกับหลวงพ่อท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นอนะ่ะเคยไปอยู่กับหลวงปู่มั่นที่บ้านบ้านหนองผือนาไนอะไรนะั้นไปเจอท่านท่านอายุมากแนละ้วมเข้าโรงพยาบาลท่านก็เล่าให้ฟังว่ารุ่นเดียวกันนะเขาฟนทุกฟ้นร้อนไปหมดแล้วเหลือท่านยังไม่ได้อะไรเลยเี่ท่านพูดนะใจท่านนะโอ้สลดมาก แต่ท่านบอกว่าถึงยากลําบากแค่ไหนนะอีกเจ็ดชาติท่านก็จะทําท่านไม่ทอดทิ้งเนี่ใจของนักปฏิบัติต้องเข้มแข็งอย่างนี้อย่าใจ่อดนะไม่ใช่ทําไปสามวันแล้วโอ้เหมือนกันทุกวันเห็นมันดีขึ้นเลยขี้เกียจเลยอย่างนี้เล็วไหลที่สุดเลยนะต้องเข้มแข็งนะทําเท่าไหร่ก็ต้องทําทําตลอดชีวิตก็ทําเพราะว่ามันเป็นการสร้างคุณงามความดีให้ตัวเองสร้างความพ้นทุกข์ให้ตัวเองเราไม่ทําแล้วใครก็จะมาทําให้เรานะต้องช่วยตัวเองให้ได้ หลวงพ่อเคยเห็นคนเขาจับตัวตุนน่ะตัวตุนหน้าตาคร้ายๆหนูพุกอะไรพวกนี้เอามาใส่กรงไว้มีคนซื้อจะไปปล่อยนะมันกัดตลอดเลยกัดรวดนะกรงนั่นกัดอยู่เป็นวันๆเลยนะนเขาพาจะไปปล่อยยังไม่ถึงที่จะปล่อยมันสู้ตายนะไม่เห็นความหวังเลยว่าจะรอดยังไงแต่ไม่ท้อแท้เลยจะสู้ตายพอเขาปล่อยออกจากกรงแล้วมันหันมาสู้คนปล่อยอีกนะ หรือส่วคนต้องใช้วิธีวิ่งหนีมันถึงยอมไปนเใจของนักปฏิบัตินะต้องเข้มแข็งอย่างนี้ต้องกล้าสู้อย่าปอบ่อบแฝดปอบแฝดหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์หลวงพ่อไม่ได้ลําบากเข้าครูบาอาจารย์รุ่นก่อนนะไม่ใช่ว่าต้องเดินทุดงเป็นเดือนเดือนหลายหลาเดือนลําบากในป่าในเขาอดข้าวอะไรไม่ได้ลําบากอย่างนั้นนั่งรถทัวร์นั่งรถไฟไปเรียนพวกเราก็สบายนะทุกปัจจั้มันสบายขึ้นเรื่อยๆแต่ใจอย่าฝ่อก็แล้วกัน หลวงพ่อตั้งแต่เรียนจากครูบาอาจารย์มาไม่มีวันไหนที่ไม่ปฏิบัติเลยปฏิบัติทั้งวันเลยตามรู้ตามดูรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจช่วงไหนฟุ้งซ่านทําความสงบทําสมถะไม่ทิ้งนะสมถะวันไหนทําได้ก็ทำแต่ที่หลวงพ่อติงเรื่องสมถะบ่อยๆเพราะคนชับติดสมถะแต่เพ่งแล้วก็เคลิ้มงอกแงกงอกแงะอันนั้นไม่ดีนะอย่างเปิดเทปครูบาอาจารย์ฟังนจะฟังให้รู้เรื่องก็ตั้งใจฟังให้รู้เรื่อง หรือจะนั่งทําสมาธิก็ทําสติรู้เนื้อรู้ตัวของตัวเองไปนะแต่นั่งเปิดเทปแล้วก็เคลิ้อกแงก็แงกไม่ได้เรื่องเลยอย่างนะั้นะนี่ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อบอกไม่ให้ทําสมาธินะงคนชอบอา้างมัวซั่วพระที่ไหนสอนไม่ให้ทําสมาธิพระเจ้าสอนให้ทําศีลสมาธิปัญญาต้องทำํำนะนี้สมาธิถ้าเราทําไม่ได้นะไม่เป็นอย่างของคุณทําเป็นก็ทําไปคนไหนไม่เป็นจริงๆก็ไหว้พระขวดมนต์มันก็ได้สมาธินะ ส่วนวนไปให้จิตใจมันสงบคิดถึงพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆนะจิตใจสงบหรือแค่เรากลับพระนะกลับให้เป็นก็จิตใจมีความสุขได้นะอย่างเวลาเราก้มลงกลับพระเนี่ยอย่านึกว่าเรากำลังกลับอะไรโม้ซั่วไปหรือใจลอยหรือไปบังคับตัวเองไว้ทําความรู้สึกในใจเหมือนเรากลับลงแทบพระบาทพระพุทธเจ้าเหมือนท่านยืนอยู่ต่อหน้าแล้วเรากลับอยู่แทบเท้าท่านเนะี่ยจิตมันจะเกิดปีติขึ้นมานะเนี่ยมันได้สมาธิไม่ยากอะไรนะ ทำอะไรไม่เป็นจริงๆนะไปตามวังมัดฉาตามวัดอะไรต่างๆเขาชอบเลี้ยงปลานะปลาก็ขายอาหารปลานะปลากินบ้างปลากินบ้างนะ เ, ออเราไปซื้ออาหารให้ปลากินเนี่ยจิตใจมีความสุขหมทำกุศลทำทานเนี่ยเราคิดถึงแต่เราทาทานอยู่นี่จิตใจก็มีความสงบสุขใม่ไหมสมาธิไม่ใช่เรื่องยากนะรู้จักทำรู้จักค่อยๆฝึกฝนไปนะไม่ใช่ต้องนั่งจนกระทั่งเลิกหายใจต้องอะไรอนั้น บางคนทาได้บางคนก็ไม่ได้ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นแหละนะไม่ใช่ต้องทำให้ได้ทุกคนเหมือนกันทุกคนคนไม่เหมือนกันนะบางคนสมาธิเยอะบางคนสมาธิน้อยสมาธิก็เพียงแต่ทำให้จิตใจได้พักผ่อนจิตใจสงบสุขสบายพอจิตใจสบายแล้วอย่าขี้เกียจนะให้คอยรู้กายให้คอยรู้ใจไปนะยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวไปเนี่ยฝึกไปอย่างนี้รับรองไม่พลาดหรอกนะ ใจหนีไปไหนแล้วชาวประจวบมากันกี่คนวันนี้ในยกมือให้หลวงพ่อดูสิชาวประจวบเอาทีมนี้เองหรอกเหรอมาแต่ปีสองนะมันต้องอย่างนี้สินักปฏิบัติต้องใจถึงถึงหน่อยนะไม่ใช่โอ้ยไม่เอาหรอกตื่นไม่ไหวนะพูดหยาบๆยานะหวยแตกอย่างนั้นอ่ะจะไปสู้อะไรสู้ความขี้เกียจเล็กน้อยก็สู้ไม่ได้แล้วนะต้องใจถึงถึ ง, ถงนะภาวนาโอ้ สนุกไม่ใช่ทําให้มันลําบากนะทําแล้วมันฮึกเหิมนะสนุกนะอเรารู้สิ่งโน้นสิ่งนี้สารพัดทําไมเราไม่รู้กายรู้ใจตัวเองบ้างเนี่ยโน่นใจลอยไปแล้วรู้ไหมโน่นใส่เสื้อสีฟ้าหันไปมองเขาแวบหนึ่งก็ลืมตัวเองไปแล้วะเนี่ยลืมตัวเองแล้วรู้สึกไหมมันจะลืมเรื่อยๆจะลืมไปเรื่อยๆ อย่าบังคับนะของคุณบังคับเยอะไปรู้สึกไหมอยากเครียดปฏิบัติถ้าเครียดแสดงว่าทําผิดจิตที่เป็นกุศลจิตที่มีสติจริงๆจะไม่เครียด จ, จิจะโปร่งจะโลง่งจะเบาปราดเปรียวคล่องแคล่วว่องไวไม่มีนะเสื่อมซึมไม่มีนะมีคนไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปทูลพระพุทธเจ้าบอกน่าอัศจรรย์สาวกของพระองค์สงบแต่ร่าเริง ไม่มีนะไปชมกับพระพุทธเจ้าสาวกของพระองค์ดีจังเลยเครียดดี <c oughs> นะหน้านี้ยิ้วขมวดเครียดนะไม่มีนะอย่างนั้นจิตอกุศลจิต ท, ที่เป็นกุศลนั้นมันตื่นมันเบิกบานนะแล้วก็คอยรู้เนื้อรู้ตั ว, ร, ตวรู้กายรู้ใจไปร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึ ก, สกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรูนะ้สึกเอารู้สึกไหมจิตใจเคลื่อนไหวรู้ไปเรื่อยรู้เพื่อให้เห็นความจริงว่าเขาไม่เที่ยงเขาบังคับไม่ได้ ไม่ใช่รู้เพื่อจะบังคับนะเดี๋ยไม่ใช่รู้เพื่อบังคับอย่างนี้บังคับอยู่นะอย่างนี้ไม่เอาพอจะรู้ทันไหมว่าบังคับเ อ, อดีนะไม่ต้องแก้นะเดี๋ยนเอ๊ะจะแก้อย่างไงเนี่ยคิดจะทำอีกละนะจริงๆการปฏิบัติไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ร่างกายมันทําอะไรมันเคลื่อนไหวก็รู้สึกจิตใจมันทํางานก็คอยรู้สึกคอยรู้สึกอย่างเดียวคอยตามรู้ตามดูไป ไม่ใช่ไปบังคับเขาอย่างง้นบังคับอย่างงี้หลงไปแล้วนะแล้วคนชาวประจวบง่วงกันมั่งไหมวัม <c oughs> นนี้ใครมานี่หยุดประจวบได้เหรอโอมาบ่อยๆเหรอหลวงพ่อจําหน้าได้แล้วส่วนมากเห็นครั้งสองครั้งก็จําได้แต่มีบางคนบอกเคยมาหาหลวงพ่ อ, พ อ, อจําไม่ได้เลย มาแล้วตอนนั้นหลวงพ่อสอนอยู่หลังวัดโอ้นั่นหลายปีแล้วบางคนมีปณิธานแปลกๆนะว่ามาเรียนกับหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อสอนไปยังไม่รู้เรื่องยังทำไม่ได้ยังไม่มาอีกนะฉลาดไปอีกแบบหนึ่งนะถ้ารู้เรื่องแล้วสติไม่ต้องมานะไม่รู้เรื่องอะก็ยันมาเรียนหน่อยถ้ารู้แล้วสติมันเกิดนะรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปเอาเชิญเชิญ นั่งก็าอีก็ได้นะดรอ้าวพวกเรารู้สึกไหมใจสายๆไปแล้วรู้สึกไหมหลงละอ้าวว่ามานั่งสมาธิถึงัก็ไม่เกิดปัญญานั่งพักถอนคล้ายๆอย่าง เราทำงานนะแต่และวันเราทำงานทำงานเหนื่อยแล้วเราก็ต้องพักผ่อนเอางี้คือการจะฝึกอย่างนี้ก็ได้อย่างการสมวติเรานั่งหายใจนะส่วนใหญ่ชอบนั่งหายใจกันนะการนั่งหายใจเนี่ทำได้ตั้งหลายแบบนะนะอันหนึ่งนะให้สติเนี้ยเคล้าอยู่กับลมหายใจไม่ไปสนใจอันอื่นเลยคอยรู้แต่ลมเข้าลมออกลมสั้นลมยาวคอยรู้ไปด้วยนี่ได้สมรถะ อีกานหนึ่งเป็นการนั่งฝึกที่จะรู้ใจเสี่ยงก็หายใจเป็นนี้แหละหายใจไปแล้วจิตหนีไปก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลคอยรู้นี่เป็นการฝึกซ้อมที่จะเอาไว้ทํำวิปัสสนาต่อเพราะฉะนั้นในแต่ละวันเราไหว้พระสวดมนต์เสร็จถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านเราก็นั่งให้สงบสัหน่อยหนึ่งให้สบายสบายเสร็จแล้วเราก็นั่งหายใจของเราต่อไปนี่แหละแต่หายใจเพื่อคอยรู้ทันใจของตัวเองเป็นการฝึกซ้อมรู้ใจตัวเอง คนไหนไม่ชอบการหายใจอยากดูท้องพองยุบก็ดูไปถ้าต้องการความสงบก็ให้สตินี่แนบเข้าไปกับท้องให้สติไปเพ่งอารมณ์เพ่งตัวอารมณ์การเพ่งตัวอารมณ์เรียกอารามณูปนิชฌานเป็นสมถะเพราะงั้นการที่เราไปดูท้องพองยุบเราเพ่งอยู่ที่ท้องยกเทา้าย่างเทา้าเพ่งอยู่ที่เทา้าเรียกว่าอารามณูปนิชฌานจะได้สมถะ หรืออย่างหนึ่งก็ดูท้องของยุบไปจิตหนีไปก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้อันนี้เป็นการฝึกซ้อมที่จะรู้จิตเพราะนั้นเราทําสมาธิเราไหวพระสวดมนต์เนี่ยเสร็จแล้วเราจะทําเพื่อสงบก็ได้เราจะฝึกซ้อมที่จะดูจิตใจตัวเองก็ได้ไม่ต้องจใจนั่นเวลาเร่ม่เวลาเวลาไม่เกี่ยวกับการปฏิบัตินะเวลาปฏิบัติไม่ได้เอาเวลา รอย่างเราเดินจงกรมเราไม่ได้เดินเอาเวลาเราไม่ได้เดินเอาระยะทางนะบางคนตั้งสัจจะจะเดินสามชั่วโมงนะพอเดินแล้วก็ดูนาฬิกาไปเรื่อยๆน ะ, ะครบ3ามชั่วโมงปลื้มใจวันนี้ภาวนาดีนี่พวกไม่ได้เรื่องเลยนะอีกพวกหนึ่งเดินเอาระยะทางตั้งใจวันนี้จะเดินไปกลับร้อยเที่ยวรีบจ้ำยิ่งกว่าตามควายอีกนี่จ้ำจ้ำจจจนะให้มันครบร้อเที่ยวโอ้หวันนี้ภาวนาดีนี่ใช้ไม่ได้นะ แท้จริงเราฝึกออกสติเราเดินไปเดินไปเราเห็นร่างกายนี้กำลังเดินใจเราเป็นคนดูนดูไปอย่างนี้ร่างกายมันเดินไปใจเราเป็นคนดูพอใจลอยแวบหยุดสะก่อนอย่าเพิ่งเดินนี่ขาดสติแล้วรู้สึกตัวนี่รู้สึกสบายๆโปร่งๆร่่งๆนะแล้วก็เดินใหม่เดินไปจนสุดทางอย่าเพิ่งรีบหันกลับนะส่วนมากพอเดินไปถึงหัวทางจงกลมหันกลับควับเนี่ยจิตจะกระเด็นตกทางจงกลมไป จะกระเด็นจริงๆนะไม่ใช่หลวงพ่อพูดเป็นสำนวนโมหานต์กระเด็นถุ่งเบี่ยงกระเด็นออกไปเพราะนั้นเราเดินไปสุดทางน ะ, ะรู้สึกตัวให้มันสบายค่อยๆหมุนกลับมาอย่ารีบหมุนเร็วหมุนเร็วก็จิตกระเด็นไปอีกค่อยๆหมุนสบายๆแต่ไม่ใช่อย่างนี้นะอย่างนี้ก็ไม่รูปจิตหนีไปกี่ร้อยรอบแล้วกว่าจะหมุนได้ทีหนึ่งธรรมดานี่แหละค่อยๆไม่ต้องรีบร้อนพอหมุนกลับมาแล้วยังไม่ต้องรีบเดินนะไม่งั้นจิตมันจะเดินไปก่อน ใครเคยเดินจงกรมเคยรู้สึกไหมจิตมันเดินไปก่อนนะงั้นเราอ่ารู้สึกตัวให้สบายก็ค่อยๆเดินไปเดินฝึกสตินะไม่ใช่เดินเอาระยะทางไม่ได้เดินเอาเวลาเดินเอาสติทําอะไรอยู่เมื่อกี้นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องเล่าก็ได้ห <c oughs> ลวงพ่อถามแค่ทําอะไรอยู่มกําลังไปคิดอยู่หัดหัดรู้อย่างนี้นะจิตไปคิดรู้ว่าไปคิดนะ จิตโลภโกรดหลงรู้ว่าโลภโกรดหลงจิตไปคิดรู้ว่าไปคิดจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังไงฝึกอย่างนี้นะส่วนจิตจะไปคิดเรื่องอะไรไม่สําคัญหรอกนะคนในโลกนะรู้แต่เรื่องที่จิตคิดไม่รู้ว่าจิตกําลังคิดอยู่นักปฏิบัตินะคิดเรื่องอะไรก็รู้เหมือนกันนะแต่รู้เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงรู้ว่าจิตกําลังคิดอยู่ทันทีที่รู้ว่าจิตกําลังคิดนี่นะความคิดจะดับทันทีความคิดจะดับทันทีเลยใจจะตื่นขึ้นมาชั่วขณะ แต่เราไม่ได้ฝึกเพื่อให้เลิกคิดนะคนนึกว่าต้องเลิกคิดไม่ต้องเลิกคิดฝึกไปเรื่อยๆไม่ได้ฝึกให้ตัวเองกลายเป็นต้นไม้และก้อนหินคิดไม่เป็นไม่ใช่นะแต่คิดแล้วอย่ายินกับมันมากค่อยๆฝึกไปเนี่ยหลงไปคิดเลยเห็นหมอา้าวคุณโน่นทำอะไรอยู่เมื่อกี้นี้ทำอะไรเตมคำว่าหลงไปนี่นนกำลังหลงคิดอยู่ รู้สึกไหมเราคิดเรารู้เรื่องที่คิดใช่ไหมแต่เราลืมตัวเราเองลืมกายลืมใจเราจะลืมกายลืมใจตลอดเวลาในโลกนี้หาคนรู้กายรู้ใจหายากที่สุดเลยเนี่ยหลงไปคิดอีกแล้วลืมกายลืมใจนึกออกไหมเออนี้ดีขึ้นแล้วรู้สึกไหมรู้สึกไหมว่ามันดีขึ้นแล้วนะดีละ คือระวางกัเดียวอย่าให้จิตถลำลงไปจ้องของยุบนะนักปฏิบัติเยอะเลยที่จิตมันถลำลงไปแล้วลงไปแช่อยู่ที่ท้องนะถ้าลงไปแช่นิ่งๆที่ท้องเนี่ยมจะได้แต่สมถ t h นะสังเกตไหมอย่างเราดูท้องของยุบไปเรื่อยๆหรือเราเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าไปเรื่อยๆบางทีเกิดปีติไหมรู้สึกตัวลอยตัวเบ า, ต, เบาตัวโครงรู้สึกขนลุกสู้ซาสึกเหมือนฟ้าแลบวุบบ้าวุบบบเลยนี่อาการของสมถ t h ทั้งหมดเลย นัจิตเราพลาดไปจากวิปัสสนาแล้วเนี่ยเราค่อยรู้วิปัสสนาเนี่ยไม่ได้มีอะไรยากหรอกรู้สภาวะลงปัจจุบันตามที่เขาเป็นเท่านั้นแหละรู้ไปเรื่อยเช่นความโกรธเกิดขึ้นรู้ว่ากําลังโกรธรู้รู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นนะความโกรธก็จะดับไปเองนี่พวกเราจะพลาดเช่นพอเผลอไปพอรู้ว่าเผลอหรือโกรธไปรู้ว่าโกรธปุ๊บเนี่ยชอบบริกรรมต่อนะโกรธเนอโกรธนออะไรอย่างเงี้ย อันนี้คือส่วนที่เกินขึ้นมาแต่เบื้องต้นจะฝึกอย่างนั้นก่อนก็ได้เป็นอูบายนะไม่ใช่หลักนะหลักเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนหลักของสติปัฏฐานในสติปัฏฐานไม่มีกําหนดหรอกสติไม่ใช่แปลว่ากําหนดเลยสติแปลว่าความระลึกได้กําหนดนี่มาเกิดขึ้นทีหลักเพราะงั้นอย่างสมมติใจเป็นโกรธขึ้นมาอาจารย์เราสอนบอกโกรธน้อโกรธน้อเป็นการเตือนตัวเองให้รู้ว่าความโกรธให้รู้สภาวะของความโกรธว่ากําลังเกิดอยู่อย่างนี้ใช้ได้ แต่ถ้าปกรธนองโกรธน อ, นอเพื่อจะให้หายโกรธอันนี้เป็นสมถนะก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ได้แบบสมถนะต้องแยกให้ออกนะเมื่อตอนไหนจิตทําสมถะตอนไหนทำวิปัสสนางั้นจะพลาดกลายเป็นทําสมถะหมดเลยเพราะฉะนั้นอย่างใจเราหลงไปคิดใจเผลอไปเราก็รู้เอาเผลอไปลนะความจริงแค่ตอนที่เผลอเนี่ยจิตเป็นอกุศลตรงที่รู้ว่าเผลอจิตเป็นกุศลตรงที่คิดว่ามันเผลอไปเนี่ยอกุศลตัวใหม่นะจิ ต, ตรสรนะ้งซ่างแล้ มันละเอียดขนาดนี้ค่อยๆฝึกไปนีไปคิดแล้วทำอะไรอยู่เมื่อกี้นี้เห็นไหมใจมันออกไ ป, ไ ใ, ออกไปใช้ได้แล้วเห็นแล้วว่าใจออกไปเราฝึกเพื่อจะได้เห็นมันนะเห็นสภาวะจริงๆไม่ใช่เรื่องพูดลอยๆว่าใจส่งออกไปอะไรเงี้ยแล้วมันส่งจริงๆมันเคลื่อนจริงๆมันไหลจริงๆไปอีกแล้วรู้ไหม ได้ให้คอยรู้ของจริงรู้สึกไหมมันเหมือนตื่นขึ้นมาแต่จะอยู่ได้แว บ, บเดียวนะไม่รักษาไว้ด้วยนะอย่างพอเราเผลอไปเนี่ยจิตเป็นอกุศลรู้ว่าเผลอจิตจะตื่นขึ้นมาเกิดกุศลรู้ตัวตื่นโปร่งขึ้นมาอยู่ได้แว บ, บเดียวเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็หลงคิดใหม่หรือไม่ก็ไปเพ่งเอาไว้อของคุณได้่ยจะกลับไปหาการเพ่งอีกนะยังเพ่งอยู่รู้สึกไหมยังประคองนะกําหนดไว้ประคองไว้บังคับไว้เนี่ย เป็นสิ่งแปลกปลอบทั้งหมดเลยมันคือการกระทำแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าให้ทําอะไรท่านบอกให้รู้ตามความเป็นจริงจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะะจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตหดหู่รู้ว่าหดหู่สอนง่ายๆนี่เองเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้ยืนก็รู้เดินก็รู้นอนก็รู้นะมีแต่ให้รู้ท่านไม่ได้สอนนะ ว่าอย่าให้จิตมีราคะไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านบอกภิกษุทั้งหลายจิตมีราคาให้รูั่วมีราคะไม่ได้สอนว่าภิกษุทั้งหลายอย่าให้จิตมีราคะถ้าสั่งให้จิตไม่มีราคาได้จิตก็เป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตาในความเป็นจริงจิตเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้นะไม่มีใครสั่งได้นะอย่าไปวาดภาพพระอรหันต์ว่าคือคนที่ฝึกจิตให้มันอยู่ในอำนาจได้ท่านปล่อยวางได้แต่หากไม่ใช่ไปบังคับมันได้ ดัง้ท่านสอนจิตมีราคารู้ว่ามีราคาไม่ได้ห้ามแล้วท่านก็ไม่ได้บอกด้วยนะว่จิตจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคาพอรู้แล้วให้รีบละเสียนี่ประโยคนี้ก็ไม่มีนะนสติปัฏฐานนี่สั้นนิดเดียวเลยจิตมีราคารู้ว่ามีราคารู้ก็มีราคาถ้ารู้ถูกต้องเนี่ยจะเห็นเลยราคาเป็นนามธรรมมันหนึ่งที่แปลกปลอมเข้ามาสู่จิตเท่านั้นเองนะราคาไม่ใช่จิตนะเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามานะอะไรอะไรก็ไม่ใช่ตัวเราสักอันเดียว นะจะห้า ม, มันก็ไม่ได้บังคับมันก็ไม่ได้ตัวเราไม่มีนะฝึกไปเรื่อยๆจะเห็นว่าตัวเราไม่มีตั้งหลักให้ดีนะล้อง่ายฟังหลวงพ่อนะไม่ต้องฟังให้รู้เรื่องนะทนๆฟังไปก็แล้วกันเดี๋ยวมันค่อยรู้เองแหละถ้าสติเกิดแล้วถึงจะรู้ว่าหลวงพ่อพูดเรื่องอะไรนะไม่งั้นนะ่ะมานั่งฟังแล้วก็คิดไปฟังไปคิดไปแล้วไม่รู้เรื่องหรอกนะบางคนเรียนนานอย่างแมวนี้เรียนตั้งหลายปีนะ เนี่ยรุ่นรุ่นดึกดำบันแมวรุ่นโยรุ่นดึกดำบันเรียนนานทำไมพวกนี้เรียนนานพวกนี้คิดเยอะคิดแต่ว่าทำยังไงจะทำได้ถูกต้องนะแมวรู้สึกไหมทำยังไงถึงจะถูกนะทายังไงถึงจะถูกนะคิดจะทำมันก็ผิดแล้วอ่ะไจะไปทำให้ถูกได้ยังไงนะแค่อยากจะทำมันก็ผิดละที่จริงไม่ได้ทำอะไรแต่จิตใจมันทำอะไรรู้ทันมันไปเร็่ยเรื่อยพอรู้ทันแล้ง่ายเนาะแมว เออให้รู้เลยว่ากํำลังฟุ้งซ่านอยู่ <c oughs> โลงปัจจุบันเลยนะยกแยกเป็นอดีตแล้วปัจจุบันฟุ้งซ่านรู้ลงปัจจุบันไปแท้จริงแล้วสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงเสมอภาคกันไม่ต้องไปค้นคนวา้าวิเคราะห์มันหรอกอมันแต่ล้วนแต่เกิดแล้วก็ดับไปทั้งสิ้นดูเพื่อให้เกิดความรู้รวบยอดเท่านี้เอง ถ้าเราหลงกับอาการของจิตเนี่ยอาการของจิตมีมากไม่มีประมาณมันโยกเยกเราก็ไปค้นคว้าเรื่องโยกเยกพอเข้าใจแล้วนะเดี๋ยวมันโยกข้างหลังข้างหน้าแทนอะมาค้นคว้าอีกเอามันโยกเอียงอย่างนี้อ่ะเอียงเปลี่ยนมุมอีกแล้วเดี๋ยวมันโยกกลมๆอย่างนี้นะต้องค้นคว้าไปเรื่อยๆนะไม่มีที่สิ้นสุดอย่าไปหลงกลมันนะกิเลสทุกตัวเลยจะหลอให้เราหลงคิดกิเลสทุกตัวเลยจะหลอให้เราขาดสติงั้นคอยรู้เรื่อยๆรู้ทันไปเรื่อยๆ เ็นมันตื่นขึ้ น, นมาหลุดออกจากโลกของความคิดเพอเราหลุดออกจากโลกของความคิดจะเห็นเลยกายไม่ใช่ตัวเราจิตไม่ใช่ตัวเราเบื้องต้นก็เห็นแต่ ก, กายไม่ใช่เรานะจิตไม่ใช่เราต้องดูนานๆบางคนดูเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีอะไรเงี้ยโยเป็นไงโยวันนี้อ่อ <distraction> แต่หลงเข้ากิเลสแล้วแหละในกิเลสตระกูลโมหะหลงไปก่อนพอหลงไปแล้วก็ไปคิด <ounce> คิดแล้วราคาโทสะค่อยเกิดเราคิดเรื่องนี้ไปแล้วก็ตัดสินแล้วอารมณ์นี้ดีเนี่ยอารมณ์นี้ดีมีความสุขราคาก็แท้อารมณ์นี้ไม่ดีเนี่ยไม่ชอบใจมันโทสะก็แท้รู้สึกไหมนะคุณที่ผมยาวๆเมื่อกี้ทำอะไรอยู่อเออตอบถูกแล้วใช้ได้ นี่อย่าบังคับตัวเองนะหลวงพ่อไล่เข้ามาใกล้ๆแล้วมันเกรงรู้สึกไหมเกรงก็รู้ว่าเกรงนะรู้ไปอส่งกันบ้านหน่อยบุมบุมเจริญได้ก็เสื่อมได้นะเพราะฉะั้นเราภาวนาบางช่วงสติปัญญาว่องไวสติเกิดเร็วทียิบขึ้นมาก็ของไม่เที่ยงจิตเจริญได้ก็เสื่อมได้ การที่เขาเสื่อมช่วงนี้เราดีล้วก็รู้สึกพอใจภาวนาไปเหมือนเดิมนี่แหละมันจะเสื่อมต่อหน้าต่อตาให้ดูเราก็จะไม่พอใจรีบใหญ่รู้สึกว่าเราไม่ดีนะรีบรีบใหญ่เกิดดีขึ้นมาอีกความจริงธรรมชาติของมันจเจริญแล้วเสื่อมพระธรรมกำลังสอนเราอยู่สม่ำเสมอแต่เราปฏิเสธธรรมะธรรมะก็คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดา สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นมันก็ดับเป็นธรรมดาแต่เราปฏิเสธธรรมะคือเราจะเอาด้านเดียวเราจะเอาด้านเจริญเราไม่เอาด้านเสื่อมงั้นพอเจริญขึ้นมาเราก็ดีใจพอเสื่อมขึ้นมาเราก็เสียใจเพราะงั้นภาวนาอีกช่วงหนึ่งบูมๆจะเสื่อมพอเสื่อมแล้วไม่ต้องตกใจนะเสื่อมให้รู้ว่าเสื่อมถ้าตกใจแล้วจะดิ้นรนเพื่อแก้ไขยิ่งเสื่อมนานมีหลายคน เสื่อมเป็นเดือนๆ เ, เลยเสื่มหลายเดือนนะเพราะว่าปอจิตเสื่อมไปแล้วดิ้นรนใหญ่จะให้มันดีนะยิ่งดิ้นยิ่งเสื่อมแต่ว่าตรงที่ว่ามันจเจริญแล้วเสื่อมเนี่ยต้องขยันปฏิบัตินะไม่ใช่ช่วงนี้ขยันแล้วบอกจเจริญแต่ามาขี้เกียจปฏิบัติแล้วเสื่อมแล้วบอกว่าเห็นไตรักนี่ไม่ใช่ใจรักเลยนะนี่ขี้เกียจอินพะุตเนี่ยต้องสม่ําเสมอทําเข้าไปทําเข้าไปน ะ, จะเจริญสติให้สุดฤทธิ์สุดเดชเลยแต่ผลที่ออกมาเอาพุตออกมาไม่เหมือนกันหรอก บางช่วงสติปัญญาปราดเปรียวว่องไวบางช่วงหายไปเลยเสื่อมะเนี่ยทั้งๆที่ท input อินพุตคงที่นะเพราะนั้นต้อง input อินพุตคงที่นะเราถึงจะเห็นว่ามีค่าเบี่ยงเบนขึ้นมาความเบี่ยงเบนหรือการที่เราคุมมันไม่ได้จริงๆนะนะคืออนัตตา น, นั่นเองหนีไปคิดแล้วทซ้ำไหมวันนี้ยังติดบังคับนะโยมดูไปของคุณก็ยังบังคับอยู่รู้สึกไหมยังไม่เลิกทีเดียวหรอก ทำอะไรวันนี้เมื่อกี้นี้ทําอะไรเอ๋อตอบถูกนะไม่ต้องบรรยายนะแค่หลงคิดปะล่นะไม่ต้องบอกหลวงพ่อเราไปคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้นะไม่ต้องเพราะว่าคิดเรื่องอะไรไม่สําคัญสําคัญที่รู้ว่าหลงไปคิดนะจิตคิดอะไรไม่สําคัญแต่สำคัญที่รู้ว่าจิตไปคิดหรือเรามองเห็นนะมองเห็นอะไรก็ไม่สําคัญแต่สคัญที่รู้ว่าเห็นนะ ไหนมีใครมาจากหาดใหญ่ออนี่ยิ่งไกลกว่าประจวบอีก น, นะเป็นไงเคยฝึกไหมฝึกมาแบบไหนทอนานไงนะเหอเรียนมากัะไทรอ่ะเออหลวงปู่ชอบปูบาอาจารย์สายวัดตาเดินจงกรมนั่งสมาธิต่อไป แต่เดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อให้มีสตินะไม่ให้ให้ขาดสติเดินไปด้วยความรู้สึกตัวเห็นร่างกายที่เดินไปใจของเราเป็นคนดูทําได้ไหมเห็นร่างกายนี้นั่งอยู่ใจของเราเป็นคนดูต้องมีใจเป็นผู้รู้ผู้ดูนะถ้าเดินในวัดป่าเดินในวัดป่าจิตต้องเป็นจิตผู้รู้ผู้ดูเป็นจิตผู้รู้ผู้ดูไม่ใช่จิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งตอนนี้เป็นจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งแล้วรู้สึกไหม ไ ม, ไม่ใช่จิตผู้รู้ผู้ดูแะเนี่ยจิตไหลแว บ, บไปแล้วรู้ไหมเนี่ยให้รู้ทันนะแล้วมันจะตื่นที่มันรู้สึกไหมมันตื่นขึ้นแว บ, บหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยะแล้วรู้สึกไปเรื่อยนะมัจะตื่นทีขึ้นทีขึ้นหนุ่ยก็รู้จักกันก็ค่อยแน่แน่ไปเรื่อยๆนะอย่าไปแน่เขาเสียก็แล้วกันนะั่นหลงไปแล้วรู้สึกไหมคนหันใหญ่นะ ว่างๆตัวนี้อย่าไปจงใจนะพอเราไปประคองใจให้นิ่งนิดเดือนจะเห็นทุกอย่างว่างไปหมดเลยนะเราไม่ได้ฝึกเอาอย่างนั้นหรอกเอาไม่เป็นไรรู้รู้ไงก็ได้นะก็ดูร่างกายนี้มันเดินไปก็ได้เห็นร่างกายมันเดินไปรู้สึกไหมรู้สึกไหมว่าตัวอะไรมันนั่งอยู่ตัวหนึ่งเนี้ยแค่นั้นแหละรู้สึกแค่นี้แหละมันจะไม่ใช่เรานั่งแล้รู้สึกตัวอะไรตัวหนึ่งมันมานั่งอยู่เนี้ย เห็นไมตัวนี้มันกรอกตารู้สึกไหมมันขยับตาขยับนิ้วเนะดี๋ยรู้สึกแค่ง่ายๆ่ายแค่นิ่งนะไม่ต้องไปนั่งคิดนะนี่ไม่ใช่ตัวเรานั่งนี่รูปมันนั่งนะบางคนเดีไปฝึก น, นั้นนั่อย่างคิดเอาอย่างนั้นไม่ดีนะอย่างนั้นอย่างคิดเอาเอาคุณเสื้อสีชมพูตื่นขึ้นมาได้แล้วใจมันถลำไปลเมื่อกี้นี้รู้สึกไหมใจมันซึมซึมก็รู้ว่าซึมนะ ไม่ดีรู้สึกไว้อย่าปล่อยใจให้ซึมอ้าหนุม่มคนโน้นเป็นไงอเอออะไรนะรโอ้อยางงี้ถูกใจหลวงพ่อมากเลย <c oughs> คิดลูกเดียวนี่ไม่ได้เรื่องหรือเพ่งลูกเดียวนี่ไม่ได้เรื่องนะรู้เลยรู้ลงไปแต่รู้สึกไหมใจเดี๋ยวก็เสลอเดี๋ยวก็เสลอดีมากดีอย่างนี้ถูกใจกิเลสเกิดเยอะรู้สึกไหมวันวันหนึ่ง โอ้ชอบมากหลวงพ่อชอบนะรู้สึกกิเลสเยอะถ้าคนไหนมาบอกว่าดิฉันปฏิบัติไม่เคยมีกิเลสเลยโอ้ฟังแล้วทอ้อแท้ใจสอนยากนะมีเหมือนกันนะหลวงพ่อบอกอ้าวรู้สึกตัวไว้บอกดิฉันไม่เคยเผลอเลยโอ้เจอพระอรหันต์เขแล้วดีแล้วคุณผู้ชายนะดีแล้วเอาแล้วคุณผู้หญิงนี่แหละมาหลายคนแล้วเป็นไงบ้าง เอาอะไรวัดเออเอาอะไรวัดเหรอว่าจะดีไม่ดีเอาอะไรเป็นเครื่องชี้วัดอืออเราชี้เกียดไม่ดีจริงๆตนชี้เกียดเรารู้ว่าชี้เกียดได้ดีนะชี้เกียดเรารู้ว่าชี้เกียดเนี่ยดีจิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลดีหนีไปคิดแล้วทราบไหมความจริงดีขึ้นแล้วไม่ใช่ไม่ดีหรอกนะสติมันเริ่มเกิดขึ้นมาแล้ว ดูออกไหมวันวันหนึนน่งกิเลสเกิดบ่อยๆนั่นแหละอย่างนั้นเรียกว่าภาวนานเอ๋ส่งกันบ้านเอ๋อดีละดูไปเรื่อยๆใช่ใช่ เออดีแล้วนะให้ฝึกนะดีแล้วเอ๋ทำได้ถูกต้องแล้วคือจริงๆเราต้องเรียนให้ครบหลักสูตรของพระพุทธเจ้าเรียกไตรสิกขาพวกเราล้าเลยจิตสิกขาไปเราคิดว่าจิตสิกขานี้แค่ทําสมาธิให้รวมๆไปเท่านั้นที่แท้เราเรียนรู้จิตรู้อย่างกระทั่งจิตดวงนี้ลักษณะนี้เป็นจิตที่เดินสมถะจิตอันนี้จเจริญปัญญาจิตอันนี้เป็นอกุศล อันนี้เป็นกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาะอะไรเงี้ยค่อยๆรู้ไปบางทีก็รู้สึกไหมเหมือนรู้สึกตัวแต่ไม่มีปัญญานะบางครั้งรู้สึกตัวประกอบด้วยปัญญาเนะี่ยถ้าเรียนอภิธรรมก็กจะรู้จักจิตที่เป็นมหากุศลยานสัมปยุทธยานวิปยุทธอะไรเงีนะ้ยมันเป็นกุศลเหมือนกันแต่ว่ากุศลเฉยๆนะี่อีกอันหนึ่งประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจนะหนึ่งสงบเฉยๆ ใช้ได้ละว่าไงคุณน้อยใช่ไหมเออเรียกไม่เคยถูกเลยคนเนี้ยอ้ถูกต้องแล้วใช่ยุกยิกตลอดเออเออ นั่นแหละเห็นมันทำงานทั้งวันทั้งคืนเลยนะอันั้นแหละดีแล้วแต่เดิมมันก็ทำงานอย่างนั้นแต่ไม่เคยเห็นนะแต่เดิมในกีเรตก็ท่วมท้อนอยู่แล้วแต่ไม่เห็นต่ไปนี้เห็นล่นะอย่างนี้ถึงจะดีนะดีเอาคุณแม่ลูกอ่อนนี้เป็นไงไเออดีนะพวกเราชอบทำแต่สมะถะ ทำไปเคลิมๆไปไงั้นไม่ดีหัดรู้สึกไปยืนเดินนั่งนอนไปรู้สึกไปรู้สึกไหมลูกเราแต่ละวันน่ารักไม่เท่ากันเนี่ยเคยดูไปนะหลวงพ่อถามถามรู้สึกไหมถามเด็กอะ่ะเด็กมากับแม่รู้สึกไหมว่ารักแม่แต่ละวันไม่เท่ากันอุ้มันบิดกระบวนนะไม่กล้าพูดเกรงใจแม่นะแล้วก็พูดเบาๆใชนะ่รักแม่ไม่เท่ากันหรอกแต่ละวัน เด็กเล็กๆมันยังดูเป็นเลยนะไม่ใช่เรื่องยากอะไรดีแล้วล่ะทำอยู่ดีแล้วหนุ่ยล่ะหนุ่ยส่งกันบ้านไห ม, ไม อ, ออขยันซ้ำหน่อยนะฝีมือเริ่มตกลงแล้วใจเริ่มหนักๆแล้วรู้สึกไหมเนียเริ่มทื่อๆหนักๆอ่ะคุณผู้ชายเนี้ยโอ้ดี ถ้าภาวนาเก่งๆนะจะเผลอวันหนึงนับไม่ท่วนเลยภาวนาไม่เก่งก็เผลอน้อยวันนึงเผลอไม่กี่ครั้งแต่ค ร, รั้งละยาวๆบูมๆตื่นมานั่งนี่ก็ได้ง่วงนะ่ะอือเพราะเวลาที่เรานั่งเฉยๆอย่างคอยใครนานๆครึ่งชั่โมงรู้คนรจะอยู่กับอะไรเครื่อเจริญ ก็แล้วแต่เราว่าสมมติวจิตมันฟุ้งซ่านมากนะเราก็อยู่กับรูปนามเราอยู่กับท้องฟองยุกไปก็ได้เคยฝึกอะ่ะนะก็ทําสมะถะไ ป, ปะได้อยู่กับลมหายใจก็ได้นะคือทําสมะถะก็ได้แต่ต้องรู้ว่าทําสมะถะอยู่นะอย่าไปทําสมะถะแล้วนึกว่าทำนิพพานนั่นแะหละมีปัญหาฉะั้นเราคอยควรเสียเวลาใจเราฟุ้งซ่านลาคาญต้องการพักผรอนเราก็รู้ลมหายใจเลย เห็นร่างกายนี้หายใจไปเรื่อยๆใจเป็นคนดูทำได้ไหมแบบนี้ไม่ใช่ไปจับไว้ที่ลมมันเดียวแล้วก็เคลิ้มไปเรื่อยๆนะอย่างนั้นไม่ดีอย่างนั้นไปนอนซะดีกว่านั่งหายใจไปแล้วก็เห็นร่างกายนี้หายใจไปใจเราเป็นคนดูไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งมันก็แจ้งขึ้นมาได้ปัญญาไปในตัวเลยถึงวันหนึ่งก็แจ่มแจ้งาจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันนั่งหายใจเรื่อเพืออยู่นี้ไม่ใช่ตัวเรา เดินปัญญาไปเลยแต่ถ้าเดินปัญญาไม่ไหวจิตใจอ่อนเพลียเต็มทีแล้วก็ทําความสงบนะจะพุโทโธพุโทโธไปก็ได้ดูลมหายใจแล้วก็ให้เคลิ้มเคลิ้มไปหน่อยก็ได้นะพักผ่อนนะนั้นพักผ่อนพักผ่อนก็ได้แต่ต้องรู้ว่าพักผ่อนนะหลายคนชอบมานั่งถามบอว่าเนี่ย ท, ทําสมาธิไปเยอะๆจะเกิดปัญญาไหมไม่เกิดหรอกนะเหมือนอย่างมาถามหลวงพ่อบอกว่าถ้าดิฉันนอนมากๆแล้วดิฉันจะรวยไหมนะคนละเรื่องกันนะ อยากรวยก็ขยันทำมาหากินสิอยากให้เกิดปัญญาก็มารู้กายรู้ใจสินะไม่ใช่ไปนอนสลืมสลือหลับเคริ่มเคมอยู่ห้องในแล้วบอกว่าจะเกิดปัญญาไม่พูดละเรื่องกันนะสมาธิที่ทำให้เกิดปัญญาเนี่ยต้องเป็นสัมมาสมาธิเท่านั้นนะสัมมาสมาธิคือการที่จิตใจของเราตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมเนือ้อลืมตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวถึงจะเรียกสัมมาสมาธิ ก็จะได้เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกในปัญญาเกิดแต่ถ้าเป็นมิจฉาสมาธินั่งแล้วเคริ้มเคลิมครึ่ ง, รงหลับครึ่งตื่นไปนะไม่ทำให้เกิดปัญญาแต่ได้พักผ่อนะฉะนั้นสมาธิจิตจะพลิกแปลงไปยังไงเราก็รู้ทันไปเรื่อยๆจิตแรกก็รู้บ้างหลงบ้างไปต่อไปความรู้ความเข้าใจก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นจิตไปเป็นสมถาก็รู้จิตไปเดินปัญญาก็รู้ จิตใจเป็นยังไงก็รู้เรื่อยไปในที่สุดปัญญาจแจ้งขึ้นมาจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะมันทำงานของมันทั้งวันทั้งคืนเลยถ้าเป็นคนนะตายไปแล้วนะรู้สึกไหมมันทำงานทั้งวันทั้งคืนนะมันคิดไม่เลิกมันทำงานหนักนความจริงแล้วก็คือจิตนะั้นอะทำงานหนักนเพราะฉะนั้นแต่ละคนหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้เหน็ดเหนื่อยตลอดวันตลอดคืนเหน็ดเหนื่อยตลอดชีวิตเลยจิตใจทางานหนัก อย่านึกว่าจิตใจทำงานหนักเราไม่ตายนะจิตใจต า, ตายอย่างรวดเร็วเลยตายวับวับวับวับไปตลอดเวลาเห็นไหมมันตายไปหลายดวงแนละ้วดวงนี้เห็นไหมมันเปลี่ยนตลอดเลยนะดูให้เห็นอย่างนี้นะดูไปอาจารย์เป็นไงบ้างอาจารย์ไม่เจอนานอ๋องั้นเดี๋ยวสักครู่ไปก็แล้วกันนะให้เขาเดทก่อน มีเคล็ดลับนะในการนอนอะ่ะเรียนไหมเดี๋ยวเขาเจ็บข้าเราเรียนวิชานอนหลับเนี่ย <c oughs> <c oughs> มีเคล็ดลับนะอยากนอนให้ห ล, ล, ลับเนี่ยอย่าอยากหลับถ้าอยากหลับเนี่ยนัใจจะไม่มีความสงบสุขใจไม่มีความสุขเนี่ยใจจะไม่มีสมาธิเพราะฉะนั้นะต้องให้ใจเรามีความสุขก่อนอยากจะนอนหลับนะทําอะไรให้มันสบายใจก่อนนะไปเอ็กซ์ไซส์หรืออะไรสบายใจ บางคนแล้วอ่านหนังสือแล้วสบายใจอะไรเงี้ยทํางานที่สบายใจแล้วมันหลับง่ายแต่ว่านับปฏิบัติจะมีอยู่บางช่วงนะสติมันเกิดเร็วพอนอนลงไปเนี้ยนะร่างกายมันหลับนะแต่ใจมันจะตื่นขึ้นมามันจะรู้สึกตัวทั้งคืนเลยแล้วจะเห็นในร่างกายนี้มันนอนอยู่เดี๋ยวมันก็พลิกซ้ายพลิกขวาสั่งมันไม่ได้ด้วยนะใจมันตื่นมันเป็นคนดูอยู่อย่างนั้นแหละแต่ก็ทําได้ แต่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นพอตื่นขึ้นมาจะไม่เปลี่ยนะถ้าประเภทตื่นขึ้นมาก็โสโลโสเตนแสดงว่ามันไม่ได้นอนจริงๆ ถ้ามันง่วงเพราร่างกายนะต้องพักผ่อนร่างกายนี้เหมือนเครื่องจักรใช้งานแนละ้วต้องหยุดพักบ้างหยุดซ่อมบ้างเ อ, อนอนหลับไปให้ร่างกายพักผ่อนแต่จิตใจเนี่ยพักผ่อนด้วยการทําความสงบร่างกายพักผ่อนนะก็ให้ร่างกายมันหยุดนิ่งจิตใจให้มันพักผ่อนก็ให้จิตใจมันหยุดนิ่งนิ่งเพืพักผ่อน ให้มันอยู่กับอารมณ์อันเดียวนะเช่นอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับท้องที่พองยุบอะไรเงี้ยเคยฝึกอะไรก็อนนะั้นแหละใช้ได้เหมือนกันหมดนะ่ะกรรมฐานยไม่เลือกมากนะถ้าเข้าใจหลักแล้วทําอะไรก็ใช้ได้หมดเลยถ้าทําไม่ถูกหลักนะทําอะไรก็ผิดหมดอนะ่ะถ้าทําถูกหลักนะหายใจเข้าหายใจออกนี่ก็ไปนิพพานได้นะ หายใจไปเริ่มต้นก็เห็นเลยร่างกายมันเป็นคนหายใจใจมันเป็นคนดูเนี่ยร่างกายที่หายใจอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราจิตใจที่เป็นคนรู้คนดูเนี่ยดูไปเรื่อยๆก็ไม่ใช่ตัวเราอีกทั้งกายทั้งใจก็ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยหรือดูท้องฟองยุบนะก็ดูไปเห็นเลยร่างกายที่มีท้องฟองยุบนะไม่ใช่ตัวเราหรอกเนี่จิตใจเป็นคนรู้คนดูอยู่จะค่อยฝึกไปนะจะเห็นทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเราอะไรก็ได้กรรมฐานนะ ไม่ไม่เลือกมากหรอกยกเว้นกรรมฐานที่ดูสิ่งอื่นนอกเหนือจาักรกายจักใจนะอันนี้หลวงพ่อไม่อยากให้ไปยุ่งด้วยไปดูไฟดูอะไรอย่างนั้นนะเพ่งออกนอกไปมันไม่ย้อนเข้ามาดูกายดูใจตัวเองเพราะวิปัสสนาต้องรู้กายรู้ใจตัวเองนั้นกรรมฐานอะไรที่เราทําอยู่ถ้าเป็นกรรมฐานที่เนื่องอยู่กับการรู้กายรู้ใจแนละ้วก็ใช้ได้ทั้งนั้นแหละ ค่อยๆปรับเอาค่อยๆเรียนรู้ไปว่าอ้ออย่างนี้เป็นสมถะอย่างนี้เป็นวิปัสสนาอย่านึกว่าดูท้องพองยุบหรือว่าพุทโธพุทโธหรือว่าอะไรจะเป็นได้อย่างเดียว น, นะมันเป็นได้ทั้งหมดแหละพลิกแปงไปได้สารพัดอย่างพุทโธพุทโธเนี่ยสมถะแน่นอนท่องพุทโธพุทโธไปแต่ถ้าพุทโธไปเรื่อยๆ เ, เราเห็นเลยคําว่าพุทโธเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เขา้าเนี่ยเราเห็นแล้ว เ, เห็นจิตเห็นใจตรวเงขึ้นมามันก็พอจะเดินวิปัสสนาต่อได้อีก พุทโธไปเรื่อยๆใจหนีวิคิดพุทโธไปแล้วใจสงบเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตของใจอย่างนี้ก็เดินปัญญาต่อไปได้ล่ะเนี่ยถ้าทําเป็นนะอะไรๆมันก็ไปได้หมดเลยขยับมืออย่างสายลงพ่อเทียนก็ได้เห็นร่างกายนี้เคลื่อนไหวไปใจมันเป็นคนดูเท่านั้นเองร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งกระดุกกรดิกอยู่รู้ไปเรื่อยก็รู้ทั้งกายรู้ทั้งใจเหมือนกันนะกรรมฐ า, าน ก็ไม่นั่งนั่งเจียงกันว่านะสายไหนดีกว่าสายไหนถ้าทําถูกหลักที่พระพุทธเจ้าวางไว้ก็ไปได้เหมือนกันถ้าทําผิดหลักก็ไปไม่รอดเหมือนกันอย่างวิปัสสนาเนี่ยไม่ใช่เรื่องคิดเอาเไม่เป็นหลักการเลยถ้ายัางคิดเอาอยัางเจอด้วยความคิดไม่ใช่วิปัสสนาอันนี้ปริยัติปฏิบัติตรงกันหมดเลยนะหลวง พ, พ่อพุธเคยพูดเลยวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิด ในอภิธรรมก็สอนวิปัสสนาจริงๆเริ่มที่อุทยพยายาญาณอุทยพยายาญาณเนี่ยไม่ใช่สัมมาสนญาณสัมมาสนญาณ ย, ยังเจือด้วยความคิดอุทยพยายาญาณไม่เจือด้วยความคิดแล้วปริยัติปฏิบัติตรงกันนะอา้าวคุณผู้หญิงนุ่นอนะ่ะที่ใส่แว่นตาเอาอส่งกันบ้านหน่อยโอ้ขาลงเขาขี้เกียจไม่ดีนะถ้าขยันอยู่แล้วขาลงอันนี้ดีนะ อย่าขี้เกียจนะช่วยตัวเองเยอะๆกิเลสเกิดบ่อยไหมดูไปเร่ยขยันดูนะขยันเราฝึกแล้วเราค้นทุกข <submitting how? S 1> ์ขยันไปเอ๊ะเป็นไงเอ๊ะก็ยังดีนะดี นัดนะแต่ตอนนี้ใจไม่ตั้งมั่นนะใจฟุง้งซ่านให้รู้ตรงนี้นะถ้าใจไม่ตั้งมั่นแล้วบอกก่รู้ไปเรื่อยๆไม่ใช่หรอกใจฟุ้งซ่านไปรู้สึกไหมจิตมันไม่ตั้งมั่นช่วงนี้นะนี่เชิญทเตร ใช่เป็นตัวนี้ไม่ใช่คิดอาไม่ใช่การคิดเอนเป็นความรู้ความเข้าใจจิตใจเราสงบตั้งมั่นมาแล้วเราเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างนี้ใช่ได้ไม่ใช่ความคิดเนียใช้ลอจิกใช้เหตุใช้ผล เ, ร, เราพระพุทธเจ้าบอกอย่าเชื่อ ใช้ความคิดใช้เหตุใช้ผลใช้การวิเคราะห์ใช้การอนุมานใช้ไม่ได้แต่ความรู้ความเข้าใจที่เกิดจากสมาธิภาวนาก็ดีนั่นดีแต่รู้ระหว่างไม่เอามาแต่มาเคยพลาดภาวนาใหม่ๆไมนสว่างเป็นอย่างนั้นแหละแล้วออมันรู้นะรู้เยอะเลยพระไตรปิฎกเนี่ย น, นึกถึงแล้วรู้เลยนะรู้พอรู้ขึ้นมาจําหญ่เลรีบจําเสียได้ความรู้ดีจังเลยจำจำสองสมามวันเหมือนคนบ้าเลยนะ ไปไหนก็คล้ายๆเราพลั ง, ง, งแบกตู้พระไตรปิฎกไปด้วยเหนื่อยแทบตายเลยแล <c oughs> ้วรู้ตัวเลยนี่โย น, นิโสมานาสิกามาช่วยทําผิดแล้วปฏิบัติผิดแน่นอนทําไมมันหนักอย่างนี้นปฏิบัติแล้วมันต้องปล่อยวางจางคลายไม่ใช่ไปยึดถือเอาความฉเฉลียวฉลาดความรู้ความเห็นอะไรมามันรู้เพื่อจะวางรู้เพื่อจะวางไปได้วไม่ใช่รู้เพื่อจะเอาคุณผู้ชายข้างหลังโน้นเสื้อเหลืองเป็นไง เอออย่าเพ่งครับเออถูกต้องแล้ว <c oughs> เพราะสิ่งที่ผิดมีสองอันหนึ่งถ้าไม่เผลอก็เพ่งไม่เพ่งก็เผลอนะที่ถูกไม่ต้องไปทำขึ้นมานะที่ถูกไม่ต้องไปทำขึ้นมามันถูกของมันเองเมื่อไหร่มันผิดเรารู้ว่าผิดนะเมื่อนั้นจะถูกเองรู้สึกไหมสติมันเกิดได้เรื่อยๆแล้วมันเกิดเองนะมันตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาอะไรแปลกปลอมเข้ามานิดเดียวสติก็เกิดละ ให้ฝึกไปในที่สุดจะเห็นเลยทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาดับทั้งหมดเลยต้องการให้เห็นแค่นั้นเองเอาป้าวยว่างไป ง, งาป้าลวยออออดีดีจิตหมองก็ดีรู้ว่าหมองเนาะดีแล้วเอาอยี้เป็นไงยี้ืเอาเหมือนเดิมเที่ยงเหรอ <laughs> เอาไม่เที่ยงแล้วทำไมเหมือนเดิม <c oughs> อมันเปลี่ยนไปได้ดืด่อยๆ <c oughs> เออนั่นแหละดีลดูอย่างนั้นแหะนะแก้วไอแก้วเป็นไง <c oughs> อ้าประคองอยู่ใช้ได้ประคองรู้ว่าประคองใช้ได้จริงๆเราง่ายนะการปฏิบัติเห็นไหมหลวงพ่อไม่ตำหนิเลยมีกิเลสค่าฟุ้งซ่านกับเผลอว่าไม่เคยว่าเลยนะ ดีแล้วที่รู้หลงไปแล้วเห็นไหมหลงไปดูเขาลืมตัวเองนี่ก็เพ่งเอาเพ่งเอาไม่เอานะ